บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดกันมาถึงเรื่องอาจัตนะเวลาเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นแล้วจะมีกิเลสก็อใดข้อหนึ่งที่ท่านเรียกว่าสังโยชน์เกิดขึ้นเป็นการนำสังโยชน์มนเรียง ตามลำดับที่ประยาบุคคลอนรัได้ถึงแสดงว่าสามประ ก, การแรกคือความเห็นเป็นเหตถือตัวถือตน ถ, ถือเราถือเขาเป็นเราเป็นเขาตลอดทึงมีเรามีเขาอันเป็นจดุดอันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาและการขว้ยคว้าตลอดทั้งการต่อสู้ในลักษณะต่างๆประยาบุคคลระดับแรก กันละได้ประการที่สองคือความเครียบแครงสงสัยนั้นเป็นกิเลสประเภทโมหแะแต่แก่อาการที่ไม่ปักใจไม่แน่ใจไม่มั่นใจมีความลังเลตัดสินใจอะไรลงไปไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสำคัญแปดเรื่อง คือเรื่องที่เกี่ยวกับรัตนตรยัยเรื่องขศีลสมาธิปัญญาเรื่องใจสิก ข, ขาปนาเรื่องของชีวิตจันราพูดว่าเราเคยเกิดมาหรือไม่หรือว่าเราไม่เคยเกิดตลอดถึงเราจะเกิดอีกหรือไม่ชาติหน้ามีหรือไม่ในรกสวรรค์มีหรือไม่ด้วยความเครือบแคลงสงสัยในสถานภาพของตัวเอง ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งมาสรุปรวมเป็นความสงสัยในกฎของธรรมชาติที่เราเรียกว่ากฎของปเจการิยคือกฎปฏิจจส ม, มุปบาทพระบุคคลระดับโสดาบันนั้นละได้แต่เพิ่งสังเกตว่าเป็นการละได้ด้วยความศรัทธาคือเชื่อมั่น ที่เกิดขึ้นในคุณของปรัตนไตรในตจสิกขาวันาการที่จิตมีความตถาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในประธรรมในประสมในศีลสมาธิปัญญายังสามารถขจัดความเคลือบแคลงสงสัยในลักษณะต่างๆไปได้ตามปกติแล้วความเคลือบแคลงสงสัยจะกระจัดออกไปได้ สามวิธีวิธีหนึ่งก็คือใช้ความเชื่อเป็นหลักอันที่จริงเรื่องนั้นๆเราไม่แน่ใจแต่เราเกิดเป็นแน่ใจในตัวที่มาของเรื่องเหล่านั้นขณน จ, จะไม่แน่ใจในเรื่องนรกสวรรค์แต่เราเกิดเป็นแน่ใจในองค์พระพุทธเจ้าในองค์พระธรรมพระพุทธเจ้าทรง ส, สรัรู้และทรงสสแสดงเรื่องนี้ เรื่องนี้เอาไว้เราใส่ความเชื่อในพระพุทธเจ้าก็เป็นในได้เชื่อทั้งความมีอยู่ของนรกสวรรค์แสดงว่าตัวนรกสวรรค์ก็คงมีปัญหาลึกๆอยู่เพราะรายังไม่มียานย่างรู้ได้กันนั่นแต่เรากะอิงพระพุทธเจ้าลักษณะเหล่านี้ก็คล้ายๆกับสมัยที่เราเป็นเด็ก มีเรื่องเป็นอันมากที่เราทําตามพ่อแม่นั้นบอกให้ทำที่ถามเหตุผลก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าทําไมต้องทําแต่เราก็เชื่อว่านี้คือคําสั่งของพ่อแม่คำสั่งโดยความรักความหวังดีปรารถนาดีต่อเราเราก็ทําคําถามบางข้อนั้นเราเพิ่งได้ในตอนหลังเร่องตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆจิน คมรู้สึกถึงความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกอันที่จริงสมัยเป็นเด็กๆมันก็ไม่ได้ทราบซึ้งอะไรทั้งไรแต่จะมาเกิดทราบซึ้งจริงๆก็ตอนเมื่อตอนได้มีลูกจะรู้สึกถึงความรักรู้สึกถึงหัวใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูกอย่างที่เกิดขึ้นแก่พระเจ้าอาชาติศัตรู เราจะพบว่าก่อนที่จะมีพระโอรสนั้นกระสั่งให้จับพระราชบวิดาขึ้พระเจ้าพิมพิสารไปขังไว้แล้วก็ทรมานด้วยวิธีการต่างๆจนถึงอวิโกนกรีดฝากระบาดราชด้วยน้ำเกลือเพื่อไม่ให้เดินจงกรมได้แต่ในวันเดียวกันนั่นเองพระเจ้าพิมพิสารก็จงวงคดพระราชารสก็ประสูตร คนก็ไปแจ้งข่าวบอกข่าวการประูุด ร, ราชโอรถก่อนท่านรู้สึกถึงความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกก็ทำให้นึกถึงพ่อก็เรียกหาพ่อให้ไปปล่อยอมาร์ตก็กล่าบทูนว่าพระราชบิดาที่วงคตไปแล้วจะจุดนี้เองที่ทำให้ทรงเสียพระไทยเศร้าโศกเป็นชีวิตที่ซึมเศร้าอยู่ตลอดระยะเวลา26ปีและในสุดรโรงก็ สูกพระจุรถทำปิตุขาดเือนฆ่าเพราะเราก็แบ่งได้เป็นสองช่วงช่วงแรกเป็นการปักใจบั้นใจด้วยอาศัยศรัทธาในช่วงที่สองเป็นเรื่องของสัมผัสตรงเราสัมผัสด้วยใจของเราเองก็เป็นเรื่องของปัญญาก็แสดงว่าศรัทธาก็มีกำลังมากขึ้นมีความเชื่อมั่นมากขึ้น เพเป็นสิ่งที่เราสัมผัสแล้วด้วยตัวของเราเองทางการขจัดความเครือบแคลงสงสัยอีกจุดหนึ่งก็คือขจัดด้วยปัญญาซึ่งเป็นการขจัดทางตรงทีเดียววอกิเลยประเภทโมหะนั้นตรงกันข้ามกับปัญญาก็คล้ายๆกับความมืดตรงกันข้ามกับแสงสว่างเมื่อแสงสว่างเขาบังเกิดขึ้นก็สามารถที่จะจัดความมืดออกไปได้ แต่ในขณะเดียวกันบางอย่างท่านที่เข้าไปถึงทั้งสองด้านใความขจัดความเปลี่ยนแปลงสงสัยของท่านก็เกิดได้ทั้งด้วยปัญญาแล้วก็ด้วยศรัทธาเพราะคุณสมบัติของพระโสะดาบันท่านยังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทิฏฐิสัมปันนาแปลว่าสมบูรณ์โดยทิฏฐิคือความเห็นซึ่งหมายความว่า ท่านกจัดความเครือบแรลงสงสัยทั้งด้วยศรัทธาและด้วยปัญญาแต่ตามปกติแล้วชีวิตของคนเรานั้นโอกาสที่จะพัฒนาปัญญาไปจนกระจัดความเคลือบแรลงสงสัยได้ทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมันก็ต้องเป็นประสบการรไปก่อนเพรา ะ, ะส่วนหนึ่งเราจึงเน้นที่ตัวศรัทธาเป็นหลักแต่ในสำคัญก็อยู่ที่ แหล่งที่มาของศรัทธาจึ่เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์บุปการียาผูยาย้ใหญ่เชื่อต่อคุณของปรัตตนาไตรและเชื่อต่อปรัตตนาไตรก็แสดงว่าเราได้มอบกายถวายชีวิตไว้จุดนี้แม้เรื่องบางเรื่องเราจะไม่แจ่มแจ้งโดยใจแต่เราก็ใส่ศรัทธาได้ โครงสร้างการปฏิบัติเหล่านี้ก็มีอยู่ทุกๆคนไม่ได้เจาะจงที่ประสดับันประโสดาบันนั้นเป็นระดับของเข้าสู่กระแสพรนิพพานแต่สามัญชนเราทุกคนก็ใช้ในแนวนั้นเรื่องอะไรก็ตามที่สามารถใช้ปัญญาได้ก็ใช้ปัญญาไปเต็มที่แต่ศรัทธาจะต้องเป็นฐานเป็นที่รองรับในข้อที่เราจะนำมาคิดมาพินิจพิจารณา ถ้าเราปฏิเสธในตอนต้นมันก็ไม่ได้มีโอกาสพิพจารณารับจนเลยในตอนต้นมันก็ผีพรามเกินไปความเสี่ยงมันก็สูงทั้งสองอย่างจะเห็นว่ามันก็หนักไปทั้งสองด้านคือปฏิเสธเลยมันก็หนักไปการรับไปเลยมันก็หนักไปนอกจากมั่นใจในแหล่งที่มาของความรู้ต่าบ แต่ว่าการปฏริเสธไปเลยนั้นแม้แหล่งที่มาของเรื่องนั้นจะไม่ค่อยจริงเท่าไหร่แต่คนฉลาดสามารถจะหาประโยชน์ได้แม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาหรืองดเว้นไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปประพฤติปฏิบัติตามได้ประการที่สามนั้นคือศีลปฏตปรามา เป็นภาษาที่อธิบายค่อนข้างยากเพราะในบาลีเองทัานก็ไม่ค่อยอธิบายไปเท่าไหร่ถ้าบอกไปเป็นการถือมั่นด้วยศีลด้วยวัาด้วยข้อปฏิบัติยังได้ยังหนึ่งน่ที่เราปักใจลงไปเลยว่าอย่างเงี้ยถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องเราเห็นว่าการปักใจในแนวนั้นมันจะเกิดเป็นลักษณะทิฏฐิคือความเห็นที่ค่อนข้างจะถือรันลงไป แล้วก็เป็นอาการของโลภะเป็นอาการของโมหะที่ชัดเจนให้ลองสังเกตว่าถ้าใจเราไปปักใจในเรื่องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนี่ใครแตะต้องไม่ได้ถ้าแตะต้องแล้วเป็นยังไงมันเป็นโทสะคือจะเกิดความโกรธขึ้นมาเพราะอาการเหล่านี้จึงเป็นอาการของโมหะแม้แต่มีการยึดถือในแนวของการปฏิบตัติวัดแนวใดแนวหนึ่งโดยเฉพาะอย่างนี้ อย่างเช่นในที่นี้ส่วนใหญ่เราก็ภาวนาว่าพุโทโธแต่จริงแล้วพุโทโธก็เป็นวิธีหนึ่งในหลายๆวิธีแต่นั้นเด็กไม่ได้หมายความว่าคนอื่นที่ไม่ได้ทําอย่างเราแล้วผิดคนต้องทําอย่างเราเท่านั้นจึงถูกท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าแนวความคิดเหล่านี้บางทีมันก็แรง แรงย่กยลายเป็นรูปแบบทางศาสนาที่ปฏิเสธคนอื่นเป็นคนนอกรีดพูดง่ายว่าฆ่าไม่บาปจึงมีการฆ่าการทำลายพวกนอกศาสนาที่เรียกพวกต่างศาสนานี้ก็เกิดสืบเนื่องมาจากศีลปัตปรมาจคือไปยึดมั่นถือมั่นเอาของตัวเองเท่านั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะงั้นคนอื่นจึงเป็นคนไม่ถูกต้อง จนถึงก็บอกว่าเป็นปฏิปักเป็นรตรูของพระผู้ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นซาตานอะไรต่างๆมันมาจากสักกายิมาจากสักกายติจิแล้วก็สีลับปัสสาะบานแต่ว่าการละได้เนี่ยประเด็นสำคัญอยู่ที่การละได้ว่ามีผลต่อมาเป็นอย่างไรซึ่งถ้าหากาเราเทียบเคียงแล้วจะเห็นว่าทั้งสามประการนี้ก็คือสมุทัยศัตย์ แต่และอย่างมีปัญหาทั้งนั้นเปนการยึดถือเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาจนถึงกายึดถือลึกๆขึ้นไปกว่านั้นจะเป็นคนที่อยู่ที่ไหนก็นลําบากเรียกว่าครับที่ไปเกี่ยวข้องกับคนก็รู้สึกว่าคนทุกคนจะต้องให้เกียรติยกย่องตจาจ้องยอมรับนับถือเราพอได้มันก็เขิมเกริมคืออยากได้มา ก, กินคิด พอไม่ได้มันก็เกิดโทสะเพราะว่าจิตมันก็แกล้งระวังโทสะกับโลภะตัวถานจริงๆก็คือโมหะต์ที่เรื่ความเครียดแปรสงสัยเนี่ยเราจะพบว่ามันก็แกวง้งบางทีก็อาจจะไปอยากได้ในเรื่องที่ไม่ควรอยากได้บางทีก็ไปโกรธในเรื่องที่ไม่ควรโกรธแต่ที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือจิตมันจุ เป็นอาการชะงักงนันที่ก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ถูกตรึงใกล้ๆก็เป็นหมุดที่ตรึงเอาไว้พระเจ้าจึงใช้คาว่าเป็นตะปูเป็นตะปูที่ตรึงจิตของคนเมะล็ดลักษณะที่สิ่งที่ทรงใช้คบว่าตะปูนี่ก็มีอยู่ห้าข้อเราจะเห็นว่ามันก็เป็นความเครือแพรง่งสงสัยได้สี่ข้อ เป็นเรื่องโทสะเสียหนึ่งข้อก็คือความสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระพทธในไตรติขารวมเป็น4ีและจิตใจอ่อนไหวคือกระทบกระทั่งอะไรนิดไรหน่อยเป็นโกรธเป็นไม่พอใจเป็นหงุดหงิดเป็นงุนง่ายเป็นอารวณ์ใจเป็นแผลในตรงนี้จะเห็นว่ามันก็พร้อมที่จะกลายเป็นโลภะ มาความคนที่โกรธเนี่ยก็อยากให้คนอื่นโอกโอกดใจทนุถนอมพยายามไม่ขัดใจเพราะถ้ามีคนโอกโอดใจก็ดีโนุถนอมก็ดีที่จริงก็ทำให้เขาเปราะบางมากยิ่งขึ้นคือไม่ต้านทานต่ออารมณ์ทั้งหลายคล้ายๆกับคนที่ถูกประครบประงมไว้เป็นอย่างดีอย่างที่ท่านเล่าถึงสมัยพุทธกาลพราเศรษฐีทิดาก็ะเศรษฐีบางคน ได้ ร, รับการเลี้ยงดูปรนปลือธนุถนอมไว้บนปร า, าสาทชั้นที่เจ็มีคนบำรุงบำเรือตลอดในลักษณะที่เรียกว่ายุ่ไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมโตเป็นสาวแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้มันก็เดินก็อยู่แถวนั้นข้อนข้อมือข้อเท้าอะรว่าร่างกายมันก็ไม่แข็งแรงไป ห, หมด พอถึงคราแต่งงานส่งตัวเจ้าสาวเดินทางไกลไปบ้านสามีไปบ้านจเจ้าบ่าวก็ปรากฏว่ไม่ทันถึงก็ตายนั่นนั่นคือลักษณะของร่างกายที่ขาดภูมิท่ทานฐานคือรับแต่เรื่องเดียวบรรยากาศโลกมันไม่มีเรื่องเดียวคนเราจะต้องปะทะบรรยากาศโลกได้ทุกๆบรรยากาศควจิตใจของคนที่มีแต่การทะนุถนอมมาโออใจ ก็ฏยามไม่ขัดใจแลนี่อย่างแนวการเลี้ยงเด็กในปัจจุบันที่เรามีการเสนอกันโดยแพทย์แผนใหม่ใน่นอนสังเกตว่าจะมีการทะนโนทหน่นอมใจเด็กมากเพราะใครขัดใจเด็กสมัยนี้จึงค่อนข้างโดนโดนตตอบรุนแรงแล้วรุมฉุนเฉียวง่ายโกรธง่ายฆ่ากันง่ายยิงกันง่ายท่นเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวโทสะนั้นถูกกดเอาไว้ แต่ในขณะเดียวกันพอมีอะไรมากระแทกสิ่งที่กดเอาไว้โทสะมันก็ออกมาก็ลกลายเป็นความบรุน้รยเป็นความรุนแรงแต่าจิตเหล่านี้ก็คือจิตที่ประกอบด้วยกิเลสแต่ว่าอาการจริงๆมันเป็นโมหะแดยความทุกข์ต่างๆมันก็เกิดขึ้นจากความครียแหล่งสงสัยทั้งหลาย ทุกที่สืบเนื่องมาจากความโกรธทุกที่สืบเนื่องมาจากความสงสัยทุกที่สืบเนื่องมาจากความอยากให้คนโอ้อวดใจและต้องถนอมตัวเองพวกศีลธตรมประมาฏมันก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่เห็นว่าเป็นความโลคอาการจริงๆก็คือโลคกระหล่มถ้าใครคล้อยตามตัวเองก็อยากได้คนเหล่านั้นมากยิ่งขึ้น ใครนับถือเพราะตนเองมีความคิดเห็นอย่างนั้นก็จะได้ราบอยากได้ราบสักการะมากยิงย่งขึ้นพราะความเปลี่ยนแปลงในทางจิตในสักกายธิตที่มันลดลงไปจางลงไปก็ทำให้ใจคนยอมรับนับถือเพื่อนมนุษย์กันที่ในภาษากฎหมายว่าทุกคนเสมอกัน ด้วยกฎหมายคือกฎหมายยอมรับสถานะที่เสมอกันในสถานะความเป็นคนแต่ในแง่ธรรมะนั้นมันเรื่องกฎหมายระดับคนแต่ถ้าแ ง, ง่ของธรรมะและระดับสิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่ได้หรือเคลื่อนที่ไม่ได้ก็ตามก็ยอมรับนับถือสิ่งสถานะภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแล้วก็ไม่มีการล่วงเกิน กรณีเราจะเห็นว่าศีลข้อปานาทิบาได้พูดสําหรับชาวบ้านได้ยิงมาพูดเฉพาะค่ากฎค่าสัตว์แต่ว่าการฆ่าสัตว์ดีรักฉานเช่นตบยุงบี้มดอะไรทําสัตว์พวกปลาอะไรแต่ไรตายสําหรับพระแล้วมีฆ่าทากัตัดใบไม้ใบหนึ่งพระทําใบไม้ขาดเนี่ยไปดึงใบไม้ไปถึงใบไม้ไปหักกิ่งใบไม้ได้รแต่ไร มีค่าเท่ากับค่าสัตว์หนึ่งค่าสัตว์หนึ่งตัวก็แล้วแต่กี่ใบนะฮะมบกกว่ามาท่านก็คิดใบละตัวตอนนีกท่านปรับประบาดเป็นตัวเป็นตัวแสดงให้เห็นว่าจิตใจนั้นไม่ได้ปกแผ่ไปเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้เท่านั้นแม้สิ่งมีชีวิตที่อยู่กับที่คือพวกพุษชาติทั้งหลายท่านก็มีความรู้สึก ยอมรับนับถือความต้องการมีชีวิตความอยู่โดยปกติสุขของธรรมชาติเหล่านั้นพืจะเกิดแนวที่จะปกป้องไม่ให้มีการทำลายป่าขึ้นมาโดยอัตโนบันยิ่งกว่านั้นยังส่งสันเสริญการปลูกป่าการปลูกต้นไม้การสร้างสะพานการขุดบอ่อการขุดสระอะไรต่างๆที่เป็นสาธารณประโยชน์ว่าทำให้คนนั้นได้บุญทุกขณนะ เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นประโยชน์แก่คนแก่สัตว์แก่อะไรก็ตามครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ได้บุญครั้ ง, น, งนั้นหมายความประสกายติมุจางออกไปเรื่อย เ, อยเป็นระดับศีลธรรมจัญญาแต่ก็จางหมายความว่าการปฏิบัติของเราเองคือพุทธบริษัททั้งหลายทั้งที่เป็นพระหรือกัลยาวากว็าตามที่ยังไม่เป็นวโรดาบักันที่จริงเราก็ปฏิบัติเพื่อลดพวกนี้ จนถึงกลายเป็นสะเพรสตาที่เราแปรเมตตา ก, กันแต่ปัญหาสําคัญจริงๆคือว่าจิตใจเราจะต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆต้องการที่จะเห็นคนสัตว์อยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่ประทุศร้ายกันไม่เบียดเบียนกันอยู่ดีมีสุขตามตัวคนแก่ฐานะของเขาจริงๆเวลาเข้าประสบควา ม, มิบัติเราเกิดกรุณาเวลาเข้ารุ่งเรืองอยู่สมบัติเราก็เกิดมุทิตา เวลาเขาตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานแล้วเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราก็เบกขาคือวางใจเป็นกลางได้หรือแม้แต่เขาประสบความทิ่บัตโด้วยกรรมของเขาเราก็อยู่ด้วยเบียดขาได้เวลาเรามองคนอื่นจึงมองโดยเมตตาวิจิกิจฉาก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันเวลาจะเห็นว่าเมื่อเราขจัดวิจิกิจฉาหรือเราบรรเทาวิจิกิจฉาลงไปได้ สิ่งที่จะมองในโอกาสต่อมาคือความเปลี่ยนแปลงภายในจิตของเราที่มีความรู้สึกต่อบุคคลอื่นเช่นไปเจอคนที่สงสัยคนโง่คนไม่รู้เรื่องอะไรก็เป็นมาตรในการวัดใจเราได้ประการหนึ่งวัดใจเรานั้นจะลดละวิจิกิจฉาตรงนี้ลงไปอย่างไรถ้าเราเกิดหัวร้อเจาะเกิดความรังเกียจเกิดความดูหมิน่น ประชาชนต่างหลายเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนกิเลสแต่นั้นเองเป็นการเปลี่ยนย้ายกิเลสจากวิจิกิจฉาคือความเคร่งครัดสงสัยเป็นการดูถูกดูหมิน่นเป็นการยกตนข่มท่านเป็นการรังเกียจคนอื่นมันก็ไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาก็คือความทุกข์ในจุดอื่นมันก็เกิดขึ้นใล้ๆกันเราขาจัดโรคตรงนี้หายไปแต่มีโรคแทรกซ้อนและโรคแทรกซ้อนนั้นแรงกว่าโรคเดิม จึงไม่ใช่ผลของการปฏิบัติธรรมเพราะในจุดนี้จะต้องมองคนอื่นที่เขายังเครือบแค่งสงสัยยังไม่แน่ใจยังงอนแง่นคร น, ครนแกรนไม่มีหลักเก็ดเดียวที่มั่นคงจะมองเขาด้วยความสงสารแล้วกบเมตตาด้วยความกรุณาพยายามหาโอกาสที่ช่วยเหลือชี่แจงแนะนำให้บอกกล่าวให้แล้วก็ ในขณะที่ทำที่พูดนี่จริงก็ต้องอดทนอดทควรเพราะบางครั้งบางคราวพูดกันคราวเดียวสงคราวมันก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เข้าใจแล้วก็พยายามชี้แจงอธิบายยกตัวอยา่างนําไปเที่ยวนาไปดูนําไปสนทนาให้เอกสารเพื่อศึกษาค้นคว้าแสดงอาการกระทําทั้งหมดนั้นเป็นการกระทําโดยเมตตา เพราะเลเพราะเราสัมผัสโลกเนี่ยเราสัมผัสโดยเมตตากรุณณาพระเจ้าเองก็ทรงสัมผัสโลกโด้วยเมตตากรุณณาพระเจ้าต่อกับโลกด้วยความกรุณณาพระองค์ก็ถึงปัญญาสมบูรณ์บริสุทธิ์สมบูรณ์กรุณาที่สมบูรณ์แต่ถ้าไม่เอากรุณามาต่อกับโลกมาความมาจัดสรุ้แล้วก็เสด็จประทับอยู่ในป่าในธรรมจะสวยมุติสุขอยู่นั่งข้าวสารสมาบัติอยู่ก็ทําได้นะ ปุรุสีจีไพร์ทั้งหลายทั้ง ก, กระทาการพระบระเดกพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งกระทำกันแต่นั้นก็คือการไม่เชื่อมต่อกันโลกหรือว่าเชื่อมต่อก็ไม่มากเหมือนพระพุทธเจ้าความจิตใจที่มองคนด้วยความเมตตากรุณาเนี่ยจึงเป็นตัวสะท้อนหมายความว่าคนที่ไม่เป็นอย่างที่เราเป็นให้เราสังเกตว่าแนวนี้แนวเดิมเนี่ย ไปบังคับอาคนอื่นต้องเป็นอย่างที่เราเป็นเราเห็นอย่างนี้คนอื่นต้องเห็นอย่างที่เราเห็นเราสงสัยอย่างนี้เราไม่แน่ใจในตรงนี้คนอื่นต้องไม่แน่ใจใครไปรู้กว่าเราเราไม่ชอบใครสงสัยเหมือนเราก็ถือพวกเดียกับเราในราศีรลปพรจรรณาก็เหมือนกันหมายความว่าเราถือประพฤติปฏิบัติอย่างนี้คนอื่นจะต้องปฏิบัติตามเราคือจะเอาเราเนี่ยเป็นฐานเป็นฐานในการชี้ผิดชี้ถูก ในการจะตัดสินวิจัยอะไรแต่พอมีธรรมะขึ้นมาเนี่ยเจ้าสิ่งนั้น น, น, น, น, น, น, น, นนั้นเป็นฐานในการวิจฉัยตัดสินเมื่อเกี่ยวข้องกับคนก็คนนั้นเป็นฐานซึ่งจําเป็นจะต้องอยู่ร่วมกันด้วยความเมตตากรุณาแล้วสีลับปตรามาที่เขาเรียกว่าชาวบ้านทะเลาะกันพระกรมนักบวชทะเลาะกันพระทิฏฐิ หมายความเปนยังไงคือท่านปักใจในเรื่องอะไรสักเรื่องนึงเกิดมาต้องภาวนาพุโทโธเท่านั้นถ้าไมภาวนาพุโทโธก็จะไม่สงบที่จริงพุโทโธมันก็สงบได้อย่างอื่นมันก็สงบได้อารมณ์กรรมฐานนั้นเป็นเรื่องท่านเสนอให้เลือกแต่นั้นเองเรืองอารมณ์อะไรเป็นที่สบายเป็นสปายะสมับเราเราก็เลือกอารมณ์ น, นั้นแม้จะมีการเน้นย้าที่พุโทโธท่านอ า, อาจจะไม่พุโทโธก็ได้ ท่านเอากายกตาสติท่านจะเอาธรรมานุสติท่านจะเอากระสินท่านจะเอาอะไรก็ได้เพราะประเด็นจริงๆไว้ได้อยู่ตรงนี้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงมักเท่านั้นคือเพียงถนนเท่านั้นหจะขึ้นถนนใดก็ได้แต่ไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยกันก็ถือว่าถูกต้องด้วยกันเพราะมันจึงมองในการประนีประนอมแล้วก็ไม่ดูถูกดูหมิน่น ก็คล้ายๆกับเรามองเด็กที่เล่นตุ๊ ก, กตาเล่นของน้อยๆรถน้อยๆเรือน้อยๆด้วยความด้วยความน่าเอ็นดูนะในจุดนี้ถ้าเห็นว่าใครไปเกิดรําคาญเด็กไปเกิดหมัน่นไถ่เด็กหรือไปแย่งของเด็กไปปาชิงอะไรเนี่ยก็แสดงว่าผิดปกติมากๆเราก็เคยเล่นนะเรื่องเหนั้นแต่เนื่องจากวิธิภาวะมันโกขึ้นมันสูงขึ้นเราก็เลิกเอง แต่การเลิกนั้นไม่ได้มองคนอื่นด้วยความดูหมิน่นเราจะต้องมองคนอื่นด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตาด้วยความสงสารเขาแล้วก็วันวนี้คือดีก็อาจจะซื้อของมักฝากรึซ้ําไปแต่ไม่ได้ซื้อมาเล่นเองซื้อมาใ้เด็กก็เล่นนั่นก็คือพื้นจิตที่เราจะเห็นว่าเราสัมผัสอยู่ในชีวิตประจําวันและส่วนหนึ่งเราเคยเป็นอย่างนั้นและเราละอย่างนั้นได้ แตเรามองซึ่งมองคนซึ่งเคยเป็นอย่างที่เราเคยเป็นด้วยความเมตตากรุณาอันนี้เป็นเป็นเกณฑ์หลักในการตัดสินเพราะอะไรเพราะมีเป็นจำนวนไม่น้อยเลยที่พอเราทำอะไรได้ทั้อย่างแล้วเราก็ไปดูมิ่นคนซึ่งทำอย่างที่เราเคยทำจะเราเคยเล่นการพนันเราเคยดื่มเหล้าแล้วต่อมาเรา เ, เห็นโทษการประนันโทาการดื่มเหล้าเราก็เลิกได้ เราก็ไปดูถูกดูหมิ่นคนซึ่งเขาเล่นการบนันัลเขาดื่มเหล้าอยอันนี้เป็นการเปลี่ยนกิเลส จ, จุดหนึ่งก็ไปหากิเลสจุดหนึ่งความทุกข์ก็เกิดต่อต่อจากการไปดูหมิ่นเขาจากการไปตั้งข้อรังเกียจอนตั้งอนเขาแน่นอนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดื่มเหล้าของเราโดยตรงเนี่ยเล่นการบนันัลของเราโดยตรงมันไม่เกิดแต่ไปเกิดเพราะเล่นการบนันัลของคนอื่น เพราะการดื n, ่มเหล้าคนอื่นจ่ไปด่าคนดื่มเหล้าไปดา่าคนเล่นการพนันเขาเขาก็โกรธออกโดยสุดปัญหามันก็มาสร้างมามาเกิดขึ้นในจุดนี้เราจะเห็นว่าแล้วก็ออกมาทางมโนทุจริตแล้วก็วจีทุจริตทีนี้ถ้าถึงกับการมีการชกต่อยมีการลงไม้ลงมือกาอยาทุจริตก็เกิดขึ้นตรงนี้จึงเป็นลักษณะของส ม, มุทยัยเดรีในอย่างัดเจีนด้านการใคราด การขจัดสมุทรไทยออกไปในดับใดก็ตามเนี่ยมันจะต้องดับทุกได้เพราะตัวนิโรธที่แปลความดับทุกเนี่ยมันทำหน้าที่ดับตัวสมุทรไทยเมื่อดับสมุทรไทยได้ความทุกมันก็ไม่เกิด ดังนั้นจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปคือด้วยการลดความถือตัวถือตนถือเราถือเขาูเป็นเราเป็นเขาล ด, ลดความเครียดแรงสงสยัยลดการถือมั่นโดยศีลได้ ว, วัดโดยข้อปฏิบัติโดยความเชื่อถือครั้งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆงเพา่อาจเอ้เห็นว่าจริงๆแล้วในเรื่องเหล่านี้มันขึ้นกับยู่ยุคสมัยขึ้นกับวุฒธธิภาวะในด้านจิตใจของคนเราไม่ต้องดูอื่นไกลละมีงานพิธีมงคลอะไร บางคนก็แย่งกันขอน้ำมนต์บางคนก็แย่งพระเครื่องบางคนก็แย่งอะไรแต่จะถามว่าก็แย่งกันทุกแข่งไหมแย่งกันทุกคนไหมที่จริงมันไม่จริงอะ่ะมันมีคนกลุ่มหนึ่งตันเอกกี่เขาแย่งแต่คนกลุ่มหนึ่งนั้นมีก็ได้ไม่มีก็ได้คือมีเขาก็ไม่ได้ขัดขวางโลกเขาไม่มีเขาก็ไม่สึกเดือดร้อนอะไรแต่ทีนี้เมื่อคนจาเป็นต้องมีก็ก็ให้เขามีไป แนอาการปฏิบัติธรรมจึงมีลักษณะคล้ายๆกับตุกตาอาที่ว่ามันแล้วเนี่ยคือคนเล่นตุเลิกเล่นตุกตาที่จริงคนเล่นตุกตามี น, อน้อยคนเลิกเล่นตุกตาเนี่ยมี น, อน้อยคนเล่นตุกตาแต่ตุกตาก็ต้องมีอยู่ในโลกนี้เพราะเด็กแกยังต้องเล่นตุกตาอยู่คือราวบันไดที่เราจะขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามีราวบันไดยอยู่ทั้งสองด้าน แต่ท่านที่ขึ้นมาไม่เยาวาทุกคนต้องจับราวบันไดแต่ไม่ได้หมายความมาทุกคนไม่ได้จับราวบันไดรางคนที่เป็นคนแ ก, นก่เป็นเด็กก็ยังขึ้นไม่ได้ก็จับไปก็ว่าไปก็ไม้ไว่าไรเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมีไว้สำหรับคนกลุ่มหนึ่งต่ อ, ตอนนี้ไปก็ขอให้ทั้งใจทำความสงบสืบต่อไป